I don't know. ใช้จ่ายเยอก่อนจึงจะมีการลาดท้อนที่เหนืด้ แกไขลดความหนลงเหเลงโมเมาหล่นั้นให้ตกอกส่วนการฟังธรรมะเป็นสิ่งที่ยากสำหรั บ, บจิตใจผู้ชนคนหนาทั่วไปเพราะธรรมะเป็นเรื่องเป็นละใจเป็นข่าวสึกกับพิริเลขึ้นสมองของใจดังนั้นการฟังธรรมะ ยิ่ยากลำบากไม่มีความพอใจไม่มีความเต็นใจเรื่องแตูู่ดีตมีจะมิสัยเคยรู้เห็นเคยเป็นในการปฏิบัติมาแล้วพออุทมมาขึ้นรูสน้สึกเยือกเย็นสุขสบายภายในใจทั้งตัววนที่เคยเคยปฏิบัติอาจทำอะไรจะไปฟังธรรมะแต่และขั้น รู้สึกว่าลำบายากเยินทั้งที่ในวัดหรือการแสดงธรรมไิ่ติดค่าผ่านประตูคนที่ไปฟังก็ไม่รู้เสียค่าอะไรผิดไปที่นั่งที่อยู่อาศัยก็สะดวกสบางแต่ก็ไม่พอใจเพราะเหนือย ทำบาเป้าเอฟังในถ้ยคิดถ้ยใจแต่ก็อาศัยการฟังบ่อยๆหัด่อยหยดคอยคอยจะอาจไปขึ้นเงาได้จิตใจทุกเราท่านกว่าทนองเดียวกันหรือว่าใครทั้งนั้นคือเราเบียดในศาสนาเปรีคืมาศึกษาธรรมะเปรียดถเราเป็นขอนเป็นขอนมาแล้วมใช่เรามีวีเศ็ เมื่อก่อนเป็นขวยญขอวัดแต่อาศัยธรรมะอาศัยสติอาศัยปัญญาเป็นเลี่ยดเป็นช่างแต่สุภาพมีอยู่ไม่เสื่อมนะใครเซ็ไปต่างๆอยากจะทำเป็นกระดานพูนกระดานฟ้ากระตูหน้าต่างตามที่ชอบสั่งทำได้ ก็อาศัยความเขียรช่าสช่างที่ทําไปทิ้งเอาไว้เป็นควันซุ่มประโยชน์คนี้นิดหน่อยเล็กน้อยไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรนอกจากอีกดควันที่อยู่ที่อาศัยแถานั้นจะนั่งจะนอนสบายถ้าแพร่เสื้อผ้ามาเป็นเยี่ยมเป็นตังเป็นบ้านเป็น่องข้อ เนน่ายดีนะอาศัยราชาเกิดขึ้นฉันใดจิตใจของพวเราท่านก็จเนองเดียวกันมันที่จิปรนาศึกษาอาศัยธรรมะเข้าขัดเราจิตใจถึงเลยชอบก็บังคับบัญชาให้พิจิตรนาใน้ระดับเล่าตังธรรมะเป็นจิตถูกสําขัดกับธรรมะ เข้ากับธรรมะได้พอทำเอ๋ธรรมะขึ้นก็ชื่นอกเย็นใจสบายภายในไม่มีเครื่องดื่มให้จิตใจหลงหลงเร่าร้อนวี่ยงั่นเพราะธรรมะนั้นเป็นเครื่ขัดเจ้าความเร่าร้อนเหวี่หงต่างๆทําความเมิดของใจให้สว่างเจริญจ้าสุข ในเรือธรรมะเป็นอย่างนั้นแต่นั้นธรรมะคือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องจำเป็นของพวกเราทุกท่านแต่กําหนดที่นีที่จะเล่นมาถ้าหากเราหนีหลังอยากจะให้เราเอมีความสุขความสบายความสงบภายในไปอาศัยสิ่งอื่นรู้เสียงสิ่นรสภายนอกว่าสิ่งนั้นจะให้ความสุขสนุกแค่ไหน แ่เนืราุณหญิงหญิงอยู่นั้นเพื่อเป็นสนานทแต่ก็หายดนหญิงคนเหล่าร้อนเพื่อเพื่นไปอีกมันเป็นอย่างนั้นไม่มีการอื่มการพอในรูปในเสียงในปีในรถตั้งแตวันเกิดจนกรทั่งวันตายเม่มีใครที่เบียดหน่อเพียงพอต่อรูปเสียงกินรถทางธรรมะ ถึงจะที่เจรนาหเห็นปีรถเหมนกันกี่จรนาเต็มดังข้ามสามารถที่จ ะ, านนจ ะ, าะหาใจรู้เห็นเด่นชัดในสิ่งหนึ่งนั้นมันจะขัดข้อมันเห็นเหลีมันเหนเมาเฉลที่เราเคยเนหรีถือหล่เล อ, เเอเกเดงงามน่ารัก น, น่าชอบน่ากำเนิด ถ้าคุณเวลานไปตามเรื่องพวกปัญหาต่างนั้นทื่อหน้ากันเรียนจบวิทยารายรมหาวิทยาลัยเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มาจากที่ไหนต็ตามยังมีความหลนเหลงอเผื่อเพินม่เมาอยู่เพราะการเรียนจากเรื่องเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องการํำจัดหัดเกลืจิตใจของตัวยังเมาหลงเหลือไป แต่เมื่อมาเรียนธรรมะเคยมาที่เจรมาตามคำสอนของผู้ใจเจ้ารูปตั้งอะไกจังรูปไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างไรเราเอาใจใจกําหนดทีนี่ที่เจรนาเราเกิดมาเดิมต้นเป็นอย่างนี้ไหมตอนที่อยู่ในทันกับการออกจากทันาเป็นอย่างไรที่เจรนาเข้ไปถึงขี่ถึงฐานของมัน แต่รยุนั้นเกิดมาจากอะไรเกิดมาแล้วควรเป็นควรวาหรือไม่หรือเป็นไปอย่างไรแจะทราบดีว่าร่างกายวิอของสตวดของบุคคลหรือวัตถุสิ่งของต่างๆไม่ควรเป็นควรวาและสภาพไปทุกวันทุกเวลาเช่นปติ ส, สาลาหารือบ้านช่องรถเรือนต่างๆ พอทำนองเดียวกันมันมีการแปรสภาพไปที่เปลี่ยนแปลงไปในคงที่วันนี้เราต่อทำนองเดียวกันแต่สมัยอยู่ในคันจบคอดออกมาใ ห, ใหม่ๆหรือสมัยเป็นเด็กกับปัจจุบันมันผิดกันนี่ความแปรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทุกธาตขันแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไ้ที่สที่ไหนติดหม้ตายทางของมัน มันเกิดขึ้มาจากอะไรไม่กิจะไปสู่สภาพอันนั้นมันมีใครตคนนี้อำนาจบาศกันนะที่จะเป็นฝ่าฝืนไม่ใช่มันเป็นไปอย่างนั้นห้ามกั้นเอาไว้ไม่ได้จะมีเงินมีทองมีเข้ามีขอ ง, ม, ของมากมายขนาดไห น, จ ะ, หนจะให้ ข, ขึ้นบาศขึ้นบนจะให้ข่าแก่ข้าแปรเปลนจะให้เท่าไรเพราะมนยินดีทั้งนั้น หนา oro, que, kingdom, ้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเขาจะเป็นไปตามหน้าที่ของเขาให้จิตของเราที่เจรณาอย่างนั้นจ่ไม่ลืมลหงเกิดเพลินเพราะเกิดมาเฉลี่ยระยะเวลาเล็หน่อยแล้วก็จะจากโลกอันนี้ไปเราเกิดมาในโลกเหมือนกันกับคนมาพักที่โรงแรมเฉ่ยระยะเวลาแล้วก็จากโรงแรมไปตอนเข้าโรงแรมมา เคยมีอะไรติดตัวมาเสียหมอนที่นอนต่างๆอาศัยของโรงแรมทางนั้นพอจากไปของเหล่านั้นพวกที่มาพักที่โรงแรมก็ไปแล้วไปด้วยฉันได้จิตใจที่มีเหงื่อเหงื่อยในโลกกว่าทํานองเดียวกันว่าอันนั้นของเราอันนี้ของเราเป่ยนเป็นแสดงหาเป็นนี้โอกาสเวลาจะครักผ่อนภาวนา มีแต่การงานยุ่งเหยิงตลอดเวลาฮะโอกาสที่ไปสงบจิตสงบใจที่เจรนาภายในในได้เพราะความยุ่งเหยิงเพลิดเพลินเหงอกันคนนั้นได้อย่างนั้นคนนั้นเรื่อยอย่างนี้ก็่าเชื่อเป็นจริงเป็นจังอย่างนั้นไม่เข้าใจว่าเราไม่จากมันมันก็จะจากเราของเหล่านั้นความจริงมันเป็นอยู่อย่างไรไม่เข้าใจตามความจริงจริงพวมัน จิตติดลื่อเนเดวอยจิดขาดธรรมะจิดนที่เป็นมา อะไรเข้าใจตามเป็นจริงรูปที่เขาเคยเห็นเหล้องเกิดเชื้อและสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ท่พิจารณาอนิจจังพิจารณาในปัจจุบันไม่เห็นพิจารณาไปในอดีตจะเห็นว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วรูปของคนนั้นเหมืเป็นอย่างนั้นอนาคตถึงยังไม่ถึงเราก็พอคาดได้เพราะมีอย่าตายายต้องเขามี ถ้าเาตายแล้วเขาเป็นอย่างไรลูกของเขาหลานของเขาที่เราลืมเลือนว่าจเติดแม่งยังจะเป็นไปอย่างนั้นหรืมีใครก็เะอดมีเพียงอห่นได้จะเป็นไปทำนองเดียวกันในวันใดไปวันหนึ่งข้างหน้าเราทราบดีอย่างนี้มันมีการติดข้องมีการลืมเลือนมีการเผด็จเพลินในเรื่องของูกไม่อย่างนั้นจะพิจารณา ให้็นอทุกข์้าอาทุกขพังให้จิตสโลดังเรศให้จิตเยือนนาให้จิตเข้าใจตามความเป็นจริงต้องถดขันพอที่เยาได้เพราะคําป็นมุดไหวยิ้มชายกว่าเพียงคำสมุดทุกสิ่งทุอ่างในตัวของเราทั่วไปเขาไม่ช้าแลาเขาเป็นขนเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเราไป็นมดเขาตั้งะ ถ้าเราเราไยากจะมุดเขาก็มียางนั้นแล้วซีเหล่านั้นมันเป็นของขวยงามเนจังหรือเรือหากว่าเป็นของสกปรกทิ้ข้างในออกมาดูข้างนอกเอาหนังข้างนอกที่เราหลุดหลดเหวว่ามันสวยงามดัดเข้าไปข้างในใส่ซีนตับไปให้ออกมาดูข้างนอกเป็นอย่างไรงามไหมสวยไหม น่ารักน่าชอบไหมน่ากอดน่าจูบไหมแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นภายในตัวของเราท่านไม่มีอะไรที่จะสวยจะงามนีแต่ของเน่าของหนียวของปติกูลนี่คือการที่เจน่าให้จิตเบียดห่ายท้ายตําหนักทางที่เจน่านีหลายทางที่เราจะที่เจน่าแก้ไขจิตใจของเรา อย่าเป็นคนตาฟางตามื่เห็นอะไรเกิดตะคุกเอาเขาจะแบบเป็นคนดิบคนดีคนที่มีมะติม่มีปัญญาไม่มีธรรมะคือคนตาบอดตาฟางตามื่อไม่เห็นอะไรตามเป็นจริงให้ดังนั้นธรรมะเช่นเป็นแสงไฟหรือเดือดตะคูกส่องดูว่านั้นเป็นจริงอย่างไรให้จิตใจเขา ของจริงอย่างนั้นและจะหายความเลื่อนเลื่อนจะหายความมัวเมาจะหายความกาหนัดเกิดเพิงทางพิจารณาของธรรมะคืออาจารย์หรือท่านผูท่านพิจารณามาอย่างนั้นแต่เราท่านก่อนมาเหมือนกันมีเดชปัญหามาหน้าทุติยแต่ติปัญญาม่เหมือนกันแก่เลย นำมาที so voilà. uh, Qual Qual ่ไม e e pues ่พ kind of ิจารณาแล้วก็กล่าว่ะจิตใจไม่สงบจิตใจว่าอิ่นคุ้มโมต่างๆนานาแล้วไม่หาธรรมะมาเป็นเคื่องเวยามาเป็นเพื่อนรักษาจิตใจจะเลยไม่มีโอกาสเวลาที่จะได้รับความสงบเย็นนะมีวันใดเวลาใดปีใดเดือนใดจะเป็นไปฮะดังนั้นโอกาสเวลา เรามาบวชเป็นพระเป็นเมรมาศึกษาธรรมะเปเรื่องๆขวันขวายที่เจอนาภายในของตนใจของตนยอมจำนนต่อของจริงของจริงมีอย่างไรอย่างหาใจไปผักดั้มบะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หายใจยอมเห็นยอมรู้ตามความเป็นจริงเหล่านั้นแล้วจะมีมีอะไรที่จะมาหลอกเราเราหน้า อเขาเคยมีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาเขาเคยแปลเปลี่ยนไปอยู่แต่ไหนแต่ไรมาเราก็ทราบดีเรื่องนั้นไม่มีอะไรจะสงสัยในจิตในใจของเราหน้าจิตของเขาเป็นอย่างไรไจเตยุ่้เรทราบอยู่แล้วเมื่อเขาเป็ไปเราทราบอยู่แล้วเราก็มีเหลือไหลในขัดข้อเพราะหน้าจิตของเขาเพราะเเป็นไปตามหน้าจิตของเขาหน้าจิ่ของเราจิตเตยุ้แใจเข้าใจ ว่าเป็นหน้าที่ของเราอันนี้แปลเปลี่นไปตามเขาได้ไหมเราจะภราบดีหน่วยใจของเรามีธรรมะว่าใจมีเป็นอันหนึ่งขาดขันเป็นอันหนึ่งสชงลดเป็นอันหนึ่งดีลดเป็นอันหนึ่งจะทราบภายในจิตในใจที่เป็นการปฏิบัติจเป็นเรื่องสำคัญที่วกเราท่านควรรีบเร่งขว้านควายเพื่อปฏิบัติ อย่าไปนอนใจตายใจเพราะการเก็บการไข่การลงการตายไม่มีข่้นหมานายประกันเม่าวันนั้นวันนี้ก่อนอย่เป็มเด็ดเนสาวือเป่าตามถึงโอกาสเวลามื่อภัยคือความตายมาถึงเขาเขาเว่าเรายังเตมเงนเป็นสาวยังมีกอบเต้ามีอะไรควรจะมีกอบเต้าก็ควรจะตายเขาม่เลยนะถึงเวลาตายตายไปเว่าเด็กเลือดใหญ่ คือถึงจะกอดเพื่อนีย่ในนั้นกันลูกยังไมยังเด็กอู่ให้ดูแตอโตแค่ก่อนพอจะถึงเด็กเองทาการทางานนั้นได้แค่ก่อนถึงเกิดตายขวบเนี่ยเข้ามาว่าทั้งเวลาเกดตายไปมันเป็นธรรมะสื่สอนใจในเหนอนใจในเหยตายใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะท้งนั้นทางหากเราท่านที่จงานธรรมะอยู่ในป่า อยู่ในบ้านมีแต่ธรรมะธรรมะมีเท่าโลกเพราะใจเรามีธรรมะเห็นอะไรเป็นธรรมะเห็นเขาร้องให้ก็เป็นธรรมะเห็นเขาทเลาะก็เป็นธรรมะเห็นอะไรเป็นธรรมะเพราใจเป็นธรรมะสายใจเป็นธรรมะพระท่านจะเทศเป็นพอแตกก็จะเป็นธรรมะให้เพราะใจี่นเป็นธรรมะจึควรศึกษาควรพิจารณาในใจของเรามีธรรมะ อยู่ในตัวพอกเราที่เจอนายอยู่ทุกเช้าทุกเยน็นทุกวันทุกเวลาสิ่งตรมดาทีวนั้นเป็นความเพียงสาคัญที่จะแก้ไขใจกงตัวให้ฟ้องใสใจกลงตัวให้หลุดออกจากี่เลสไม่มียาดีเศษที่ไหนกิเลสกินเข้าไปแล้วทานเข้าไปแล้วฉันเข้าไปแล้วทำกิเลดตัณหามานะทีิให้ เลี่ยเงยไปไู่ตกไปอาหารมียาภายนถึงเป็นแก้ไขพิเดตัญหาควมเจะมาเมือวเงนเชิญอ่านในลำบากยากเย็นทานยาตัวไปทุกคนเกิดแหายูิเดตัญหาภายในเป็นพระอรหัตอาหารกันไปถั่วโลกนีหน่นี้และครูอาจารย์ต้องแนะนำสอนสอนกันคนหน้าที่ท่องท่านแนะนำสอสอนท่องท่านเห็น ทันเคยตัวอย่างไรตัวน้ำธรรมะนั้นมาแนะนำธรรมสอนส่กเราท่านงานาที่ของเราที่จะเป็นเพื่อปฏิบัติจะเป็นเพื่ปฏิบัติอย่างไรใจของเราจึงจะได้เข้าถึงธรรมะใจของเราจึงจะเป็สุขใจของเราจึงจะสงบ่างเป็นงานที่ของเราพิจารณาอะไรใจจะสงบสบายพิจารณาอันนั้นเพื่อความสูกความสบายของจิตที่จะหาอะไร เป็นไปเกิดความเพลิดเพลิน ม, มันไปเกวดความมโมเม า, เ, มาเราก็ห้ามกันการคิดการเป็นการทิร่ทำงานอย่างนั้นนี่ทางสอนใจของตัวเองที่จะสอนใจ ว, ว่าก็อาศัยสติใจมันคิดมันนึกมันทําการทํางานอยู่ตลอดเวลานอกจากหลับหอจิตเวียนเท่านั้นมันจะต้องคิดเปล่ยนเปี่ยไปตามเรื่องของมัน มีอย่างนะแต่ที่เาคิดไปเป็นทางสมุ ท, ทัยกอบปวยทุกมาให้กอบปวยกุเลตปัญหามาให้เลยงเป็นทางมาที่จะไล่จับถอนกุเลตปัญหาภายในจิตในใจของตั ว, ว, เ, เ, ตรนะวเราต้องพิจารณาเพราะเราเต่านั้นจะทราบมีอย่างเคร่งใจตัวเองคนเองไม่ใส่คี่ค่าพอจะมารัากษาจิตใจให้เราจนศึกษานจนปฏิบัต กำจัดความิ่นเดืวยเมงมาภายในจิดในใจเมื่ออย่างนั้นคุณค่าราคาของมนุษย์ก็ไม่มีอะไรคิดแตกแตกต่างกับสัตว์เพราะกินแล้นอนเฉื่อเพลินอยู่ตามเหล่ยมของกิเลสตัณหาคุณค่าของมนุษย์ว็เลยไม่มีอะไรเพราะสัต์มันมีบ้านนีเรืยนก่าตามไม่มีไหล่มีมากอดตามต่มันจะรักษาเห่งมัน ม่ได้ไม่ตายพออาศัยการหายใจ ม, มีการยกชิดที่จะสอนจิตสอนใจเพื่อเป็นจิตอื่มก็นอนไปแยกตะไคายออกหายอีกหายจนอีกเรื่องของสัตว์เป็นอย่างนั้นมนุษย์แต่เราท่านถ้าหาชิดอย่างนั้นต่ออย่างนั้นจะม่แปลกอะไรกันกับสัตว์จิตอื่นเป็นที่ตัวเลยนะ หาธรรมะสอนใจใจถี so ings, ่รู้ใจถี่มีสติใจถี่มีกัญญาใจถี่เชียวละความชื่อต่างๆนั่นแหละใจของมนุษย์มนุษย์ที่มีใจถี่ควต้องถือก่อนสัตในการปฏิบัติกายวายใจจิตของตัวม่อย่างนั้นจะปล่อยให้มันชื่อมันเชี่ยไหลลอยไปตามพิเศษปันหาเรื่องจากเราเป็นมนุษย์ เป็นผูมีว nah ิเศษของสัตว์มันเป็วิเศษอะไรวิเศษปัญหาอย่างเสืมทรับยิดใจอะไรพนู้มีวเศษขสัตว์มันเห็นมีคน่ะตัณห์ตัวเองวดตัวเองพอเราสอนตัวเองปวดตัวเองด่าตัวเองมันหูมีอะไรผิดแต้หนคอื่นเขบอกเขสอนเขาด่าเขา อะไร่เป็นคุณเปนประเวชนแก่ตัวพยายามฝึกรวมพยายามติดตามพยายามคนคิดก่จิตใจผูตนจิตใจเป็นที่ดัดแปลงได้ในช่ว่ามันจะคงตึงวงวายเสมอมาความเป็นไปของจิตสิ่เสีบแรงประโยชนิ่เสียปัหาเดิมหือชนะะสับก็พอที่จะดัดแปลงแก้ไขตกแต่งเอได้ ไม่อย่างนั้นก็มีใครที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพระเป็นสมณะผู้เผยเสเศษได้เพราะกิเลสดัดแปลงไม่ได้เราอย่างไราท่านอย่างนะจะไปเลื่อนใสไปยินดีไปกล่าวว่าเนใจที่ไหนเพราะใครๆก็เหมือนกันท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านนี่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเชื่อเรา เป็นความิดกี่ยกับปัญหามาณทิศก่อนท้านด้วยทุกสทกอย่างท่านดูสะดวกสบายเพราะอำนาจของปัญหามาณทิศภายในไม่มีในพระทัยของพระองค์ทางานมีในพระทัยของพระองค์หรว่าเราเป็นการัด เขาไม่ต้องเปลืองเสยเราท่านจะปฏิบัติฤเวสงานังหนึ่ไม่ได้อาหารการใชเราเป็นใจฉัดใจจะต้องใช้ขวกดขวงมือมีคน้่าอย่างนั้นอย่างนี้มีทศให้มามีแต่สิงที่หนึ่งสศษฐานะไมเยกสมเหยียดของเราถัดทิศอย่างนั้นท่านจะปฏิบัตินี่ได้ที่ท่านคนที่มาเนี่ย ก็เลยหามหาท่านน่ะไปอยู่ปายดูเขาเป็นเจเหล่านั้นไม่ทราบว่าท่านเคยเป็นกษัตริย์มาเขามีอะไร่ามาให้ท่านไปเสวยไปพราะเขาเสวยได้ท่านเสวยได้พราะเขากินได้ท่านกินได้มาถือทิพย์มาเนี่พอมาวงร่างกายไปเป็นวันวันเป็นยาประมัดรักษาถาดขันไม่ใช่ขัน เมือสเลือรืชาอรเรทอร่อยสมโยสมเหยียดเพงท่านท่านมีหลังอย่างนะท่านจึอยู่ป่าอยู่เขาได้อยู่ป่าอยูเขาหยุดใจท่านจึงขี่มานาชิติเจเลตจันหานะท่านจะสะดวกสบายดันตองโคนภาวนาล่เจเลตื่ยไปว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมาจะขวัญขี่เซ็นตไป ให้มันหมดไปทำจิตทำใจให้เยอะให้เย็นทุลาหน้าที่อะไรนม่มีนอกจากจะมาดูจิตดูใจแส่จิตแก่ใจแก่ไขจึงจิตเป็นพิษเป็นภัยทจิตทำใจทตัวให้ดือดร้อนเย็นวายเท่นั้นท่านคิดอย่างนั้นทป็นพิจารณาอย่างนั้นท่านคยอย่างนั้นจงหน้าดูชาหน้าฟ้าววา สิ่ทั้งหลายใน็นอย่างนั้นยังมีตวเลไหลยังมีตัวพอใจยากได้ขวัขวยเข้าใจว่าจริงจเราแสวล้ยงหาจะเป็นพวกเราจริงจังไม่ทราบว่าเราจะจากมันไปหรือมันจะจากเราไปเลียงไหลใอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนมีมโคิดแต่เรื่องของกายแต่เรื่องของใจไม่ในคิดคนที่จานาเขี อะไรครับอุปโภคหรือบริโภคมีถบไปใจใจมันยากใจมันเป็นทุกข์ใจมันไม่มีอาจมีธรรมมันเป็นอย่างนั้นแต่เราท่านไม่เห็นธรรมไม่เป็นธรรมจึเป็นอย่างนั้นไปหาเ็ษหาคุยเอาสิ่งจุกจิกเจ้เจ้าวทอดทิพย์วันสิ่งนั้นไม่มีช้าละไม่มีคุณค่ามาเป็นของของตัว เป็นคนมีนิเศษหรือไเจ้าวัดที่ไม่เอาเราเกิดเราคเป็นคนีวิเศแต่ว่าเรามีปัญญากวาคนทเจ้าไว้อหมที่เจานายแกะไขปรับปรุงกายใจทองตัวละสิ่งสิ่งควรละสิ่ชัฉาสิ่เสียต่างๆให้ตกออกไปจากกายวายาจใจท่องตัว ให้จิตใจยิ่งแจ่แจ่มใสให้จิตใจเป็นพุทธรู้อยู่ตลอดเวลาเบิกบานยิ่งแจ่แจ่มใสเติมเต็มไม่มีหลับไม่มีหลงไม่เกิทกังหันพุทธภายในคือใจของเราเร่อเห็นเด่นชัดอย่างนั้นมันเป็นพุทธสีหน้าอัจฉรย์เป็นพุทธสีหน้าสกามารมูชา เป็นพุทธะที่น่ากล่าวว่าเป็นพุทธะที่เยนสบายไม่เสียหรยว่าจะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนเพราะจิตใจรู้จิตใจเบิกบานจิตใจตื่นจากที่เกลีปัญหานี่คือพุทธะภายในทุกคนผู้กระพื่อปฏิบัติจะต้องเห็นจะต้องเป็นเหวยการพิจิตร์เจณะเหลยการศึกษาเหวยการ ภาวนาภายในยไม่ใช่ว่ามันจะเหนียวตลอดไ ป, ไปมันดัดแปลงแสยะได้เรื่องจิตใจเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เสียเหลือมิใสทางาเราต้องจรณาจิตจังเพราะจิตทั่วไปมั น, ยมนม อ, อยู่ในกายในใจของเรามันอยู่ทีอยู่ที่อื่นก็จะหาโอกาสเวลาไปหาจิ่นั้นไปดูถึงความจริงมันอยู่ภายในายทางนั้น โลกเปลนเหมืนอ น, นกันมรรคผลเหมืนอ น, นกันฉะนั้นกา ร, ราพิจารณาภายในเปนเป็นใจเพื่อการแก้ไขเพื่อการชำระธรรมะจึงละโอปะณะยิปกนออมโขมาถิ่อ น, นอยู่ข้างนอกเ็นนองโขมาภายในเพื่อสอนใจของตัวถือถือแ่าเลืกนเลได้อย่างนั้นก็มีวันเวลาจิตจะละชีวิตปัญหาจิตจะบาสบายจิต อานะคือผู้สงบจะเป็นพระคือผู้เกิดนะพระที่ว่า ต้ไหลาบถ้าอยู่ในวัดเปิดฉันยิ่งแล้วหลับนอนคึกูไรเเรื่องของคาราวาฮะลักจุกขโมยส่นั้นสิ่งนี้ของไม่ดีต้องเหงาเพื่อนอยู่ตามที่ตามทางต่างๆแต่ตอนยังไม่บื่อแต่ยังคิดยากเบื่อยกจะมีความสุขความสบายก็บว่มาแล้วจอย หิดปล่อยใจไหลไปตามีิเด็กิเมสเพ่งเพ่งหัวใจเป็นเนเม้อลาื้อจะเป็นภาพเมาสมือนได้เห็นไปสุดมันหนกมันไม่มันแพรมันเขา่าโดยไม่ไวหวไม่สามารเดือออกไปสู่ขา้าร่าแทนที่จะสุกจะสบาย๋ยวไปถามหายูนอไฟมันเลยร้อนจะไมมอยู่แล้วยิ่ง เบอคในกองไฟมันจะเป็นอย่างไรไม่จะไม่จะเผาขนาดไหนอี่เป็นทางคือจะพ้ใิจารณาสอนใจเพ่งตัวโอกาสเวลาที่อยู่ในวัดในาวาเป็นพระเป็นเมรุโอกาสเวลามากที่จะฝึกอบรมตัวเพ่งตัวลไร้เทีนมทานอยู่เพราะหนาที่ของพระของเมรุมีหนาที่จ ะ, ะปฏิบัติศีลสมาที่ปัญญา ของตัวให้ก้าเนี่ยหาวิชาวิมุตจิการงานอะไรเขาให้อภัยไม่ต้องไปทําไรทานาทาสวนไม่ต้องไปทาการทางานอะไรเขาก็หามาให้ก่อนเขาจะให้เขาก็ยกไปก้าวหัวสการาบูชาไม่ใช่เขาให้มาบาเรี่เหลืตั้หาเขาให้มาเพื่อบูชาคนความดี ส่องสอนตัวเราโกรเราฉันเราอยดุเราเราใสเขาคิดเอาไหมข่าเจ้าเราไม่อ th ยูมีวัดที่คืนนี้อยู่ในวัดในวังเขาไม่คิดคุณข่าอะไรเขาคิดอยากจะได้บินเพื่อคือพืความสุขให้แก่เขาและเราผูกพันปฏิบัติเท่านั้นเมื่อเราคิดเห็อย่างนั้นก็ตั้งใจยึดมั่นในพุทธ คุณพรกทพทําว่ารสงรักษะสาลากรายกายจิตของต น, นให้มัน่นคงอยู่ในอดในธรรมไม่อย่างนั้นก็เสียที รักษาผลงานความดีที่มีอยู่แล้วไม่ให้ตกไปความดีใหม่ควรจะได้ตจะถึงควรจะเห็นจะเป็อนจะรู้พยายามทีิจะเจนาพยายามจะทําบําเพ็ญเป็นเป็นข้องสป็นเป็นพระคือสุดเต่เสดละทีเกลียดตัณหามาณที่ชิ์อวิชาอุปาทานภายใน่ได้ ใจจะต้องสะดวกใจจะต้องสบายมีคุณค่าสาระมากมีเหง่อของพระที่เป็นเป็นสาธารณะของพวกเรามาท่านต่างหน้าต่างตาจะทําอย่างนั้นในใจคุบฉันแล้วก็หลับก่อนอนเกิเพลนเมือเมาเลื่อนเหลื่อจะเลื่อนของโลกท่านเลยเพลนเลื่อนอย่างนั้นท่านเลยนอย่างนั้นไม่มีธรรมะจะมาสอนพวกเราท่าน ไม alloy, no, ีใครในโลกเขาจะเลื ene, ่อนไส่เขาจะนับถือเพราะเด็ดใดเพราะพระเนรหยุดมาดูเห็ดปัญหาเจนกายเจนใจมีอะไรที่น่าเลื่อนไส่มีอะไรที่จะเลี้ยงเย็นไปเห็นเข้าก็ในหน้าดูไปยินเข้าก็ไม่หยุดคิดดูก็ไม่มีความฝุ่ใจยิ่ที่เขาเลื่องไส่ เ้ามีแร่ทธานำเครื่องจัรวะทุกอย่างมาประกอบพระเนรผูอาจารย์ท่านผู้ท่านประเภทปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีงามละเอียดเยีเห็นแล้วก็น่าดีได้ยินแล้วก็น่าฟังคิดแล้วก็น่ามีชาเชิเชยเป็นอย่างนั้นจิตศาสนาเย็นเยื มาตลอดวันนี้ก็พูดแบบนี้ปฏิบัติดีช่อบเอาใจใส่ในการแก่ไขละกิเลสเอาใจใส่ในการบำเพ็ญศีสมาธิปัญญาให้เป็นที่เป็นฐานก้าวหน้าจิตใจของท่านมีมีี่เลสกันหาเป็นฐางสุดกับตัวของท่านและสัตว์ทั่วไป ใจไม่ขันใจเสดใจไม่ขันไม่เสดอย่างนะเขาทาไม่ได้เขาเห็นใลี้ยงสายเขาทาไม่ได้เขาจึงเตนใจต่าวบ่ายมีชาเพราะเขาถื่ายดีกว่าเขาถ้าหากตันือเขาีช่วกว่าเขาไม่มีทาที่จะเล่ยงาไมมีทางที่จะเต็มใจปฏิบัติฉะนั้นพวกเราท่านทุกคนถึงอยากจะยังไม่เต็มหรือเห็นหรืออย่างนั้น ผูกพากันต่างหน้าต่างตาพยายามรักษากายวาใใจสร้างพลังความดีแกไขชั่วต่อไปสิ่ของเราตัวเคยเศร้าหมองตัก็ฟองใสสิ่ของเราตัเคยเพเพืนรุ่งืองก็จะแหง ต่างหน้าตางตาเพาวนาะรอนชีวิตทุกคนที่เหยีนะมาก่อนทกอยจะเบาบางสว่างสวายไปธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของทุกคนที่สนใจจะนามาเพื่อปฏิบัติังนั้นเมื่อได้กระดับล้ฟังแล้วจึงนาไปคินพิจารการอธิบายธรรมะเห็นแล้วพอทุกคนเเวลาอยยจิตเพนี้